วิญญาณที่วนเวียนไปไหนไม่รอดท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของวิญญาณของคนบางคนที่ต้องวนเวียนอยู่กับสถานที่แห่งหนึ่งแห่งใดเป็นเวลานา น, านๆโดยไม่สามารถจะไปจากที่นั้นได้เลยและท่านก็อาจจะประหลาดใจว่ามีอำนาจชนิดใดที่คอยเหนี่ยวรั้งเขาวาอยู่ไดเช่นนั้นสำหรับเรื่องเช่นนี้มีสาเหตุอยู่หลายประการด้วยกัน เท่าที่ขาพเจ้าได้เคยพบปากกับวิญญาณที่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นและได้สนทนากันมารู้สึกว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเสเลยนอกจากโลกมนุษย์ที่เขาเคยอยู่มาแต่เดิมเท่านั้นเขาคิดว่าไม่มีโลกอื่นอีกแล้วนอกจากโลกที่เขาเคยอยู่มาแต่เดิมและดังนั้นเขาจึงไม่รู้ว่าเขาเองนั้นได้ตายจากโลกมนุษย์มาอยู่ในโลกใหม่แล้ว ตามปกติบุคคลประเภทที่ต้องได้รับความทรมานแบบนี้มักเป็นผู้ที่มีความอาลัยอยู่กับสิ่งบ้านล้อมเดิมอย่างรุนแรงซึ่งอาจจะเป็นเพราะยังมีความผูกพันอย่างแก้ไม่หายอยู่กับบ้านและครอบครัวเดิมหรือกับการงานที่ยังทำค้างอยู่ก็ได้สาเหตุอีกประการหนึ่งมาจากจิตที่วิกลของบุคคลที่ได้เคยทำความชั่วร้ายหยาบคายไว้ในการก่อนดังนั้น เมื่อวิญญาณนี้หลุดจากกายเนื้อก็ยังประวัติถึงกา ร, รมันชั่วของตนในหนหลังณสถานที่นั้นๆสิ่งนี้เองจะเป็นพลังที่ดึงดูดอย่างแรงทำให้วิญญาณต้องมาสิงสถิตได้รับความทุกข์ทรมานอยู่ณสถานที่ที่ตนเคยประกอบกา ร, รมันชั่วช้าไว้เป็นเวลานานและสภาวะเช่นนั้นก็เป็นอบายภูมิอย่างหนึ่งสำหรับวิญญาณเช่นนั้นเหมือนกัน สถานที่เกิดเรื่องร้ายแรงเช่นคดีอุกชรกั์บางแห่งในโลกมนุษย์ที่มีเรื่องเล่าลือกันว่ามีผีปีศาจดุร้ายสิงอยู่ก็เป็นเพราะสาเหตุประการดังกล่าวนี้และในบางแห่งวิญญาณที่ไปไหนไม่รอดต้องวนเวียนใช้กรรมทนทุกข์อยู่ณที่นั้นนับเป็นเวลาถึงหลายร้อยปีก็มีสิ่งที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือในบางแห่งที่เล่าลือกันว่ามีปีศาจสิงอยู่นั้น ปรากฏว่าปีศาจที่เสียงอยู่เป็นผู้ที่มีลักษณะและอุปนิสัยใจคอดีก็มีและประเภทนี้ก็มิได้มีเจตนาที่จะทำร้ายหรือหลอกใครให้ตกใจแต่อย่างใดนอกจากว่าบางครั้งบางคนอาจจะบังเอิญเห็นเข้าเองบางท่านหาสงสัยอีกว่าเหตุใ ด, ดวิญญาณเหล่านั้นในบางกรณี จึงสามารถวนเวียนสิ่งอยู่ในที่นั้นนั้นได้นับเป็นเวลานานถึงหลายร้อยปีโดยไม่คิดที่จะไปที่อื่นบ้างเลยทั้งๆั้ที่ในโลกทิพย์ก็ยังมีสถานที่ที่ดีกว่าและน่าอยู่กว่า น, นั้นอีกไม่ใช่น้อยในเรื่องเช่นนี้ข้าพเจ้าเห็นจะต้องขอตอบว่าในโลกมนุษย์ย่อมมีบุคคลที่มีอัธยาศัยใจคอต่างๆกันไปนับไม่ถ้วนฉันใดในโลกทิพย์ก็มีผู้ประกอบไปด้วยวิญญาณ ที่มีลักษณะนิสัยและความโน้มเอียงต่างๆกันไปได้อย่างมากมายฉันนั้นนอกจากนั้นขอยท่านจำไว้เสมอว่าความตายไม่ใช่เหตุการณ์ปฏิหาริย์อย่างใดที่สามารถจะทำให้คนเราเปลี่ยนแปลงไปได้ทันทีทั้งในด้านร่างกายและจิตใจดังนั้นบุคคลเมื่อก่อนตายมีอัธยาศัยใจคอหยาบหรือประนีเพียงใดเมื่อตายไปแล้วใหม่ๆก็ย่อมเป็นเช่นนั้น ท่านเคยชอบหรือไม่ชอบอะไรอยู่ก่อนตายท่านก็จะคงชอบและไม่ชอบสิ่ง น, นั้นอยู่เช่นเดิมแม้เมื่อตายไปแล้วท่านมีความเชื่อในทางศาสนาอย่างใดก่อนตายท่านเคยมีจุดอ่อนอย่างไดมาแต่ก่อนหลังจะตายไปแล้วท่านก็จะคงมีความเชื่อในศาสนาเช่นนั้นยังคงมีจุดอ่อนเช่นนั้นอยู่ดังเดิมสรุปความว่าหลังจะตายแล้ว เราก็จะยังคงเป็นคนเดิมเหมือนเมื่อก่อนตายนั่นเองข้อแตกต่างที่อาจจะมีบ้างก็คือเรายอมไม่สามารถจะประพฤตินตนหรือทาอะไรได้เหมือนเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์เสมอไปซึ่งอาจจะเป็นการทำได้มากกว่าหรือน้อยกว่าเดิมก็ได้สุดแล้วแต่กรณีของแต่ละบุคคลเป็นรายไปอย่างไรก็ตาม ในโลกทิพนี้เรามีอิสระและเสลรีภาพในการพูดจาและการแสดงออกต่างๆมากกว่าในโลกมนุษย์แล้วเราก็จับกลุ่มสมาคมกับผู้ที่มีนิสัยและรสนิยมในทางเดียวกันได้โดยสะดวกซึ่งเป็นเรื่องทำให้เรามีความเป็นตัวของตัวเองทั้งในด้านคำพูดการกระทำและความคิดได้ดีกว่าในโลกมนุษย์ในบรรดาบุคคลเหล่านี้บางก็สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเข้าใจในสภาวะแวดล้อมได้รวดเร็วตามความเป็นจริงบุคคลประเภทนี้ย่อมสามารถจะปรับตนเองให้เข้ากันกับชีวิตใหม่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ได้โดยไม่ยากซึ่งก็จะเป็นประโยชน์แก่ตัวเขาเองอันที่จริงคนเราส่วนมากเมื่อเข้าใจความจริงในโลกทิพย์ดีพอสมควรแล้วก็มักจะไม่ค่อยห่วงกังวลถึงเรื่องในโลกมนุษย์อีก แต่จะมีความกระตือรือร้อนที่จะศึกษาให้เข้าใจถึงความจริงห่งโลกใหม่และชีวิตใหม่มากขึ้นทุกทีส่วนบุคคลที่ยังมีความอาลัยหรือความผูกพันยังแก้ไม่หายอยู่กับสถานที่บางแห่งหรือบุคคลบางคนในโลกมนุษย์ mm. ก็ย่อมพอใจที่จะยังคงวนเวียนอยู่กับสิ่งหรือบุคคลที่เขาผูกพันอยู่ต่อไปปราบใดที่เขายังมีความพอใจอยู่เช่นนั้น ในกรณีเช่นนี้เขายอมจะมีส่วนร่วมรู้เห็นและรู้สึกในความพันแปรต่างๆที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เขามีใจผูกพันอยู่เช่นเดิมคล้ายๆกับว่าเขายังมีชีวิตเป็นมนุษย์อยู่เช่นเดิมฉะ่นั้นวิญญาณประเภทนี้จะเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่กับสถานที่หรือบุคคลที่เขาห่วงใ ย, ยอยู่เช่นนั้นเรื่อยไปจนกว่าเขาเองจะรู้สึกเบื่อต่อ ก, การที่ต้องวนไปเวียนมาซ้ำากอยู่เช่นนั้น โดยม่ได้มีจุดประสงค์อื่นใดเป็นพิเศษนอกจากจะอยากรู้อยากจะเห็นหรือพลอยดีใจเสียใจไปด้วยเท่านั้นเองเมื่อความรู้สึกเบื่อหน่ายเช่นนี้เกิดขึ้นกับตนเองเมื่อใดวิญญาณของผู้นั้นก็จะเป็นอิสระได้เองและก็จะเลิกการท่องเที่ยวกลับไปกลับมาอย่างไร้สาระนั้นได้เองเพราะการกระทาเช่นนั้นมิได้มีคุณค่าในการเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างใดเลย แต่ท้งนี้ไม่ได้หมายถึงการเดินทางกลับไปยังโลกมนุษย์เพื่ออนุเคราะห์ญาติหรือมิสหายแต่เดิมผู้ซึ่งกำลังต้องการความช่วยเหลืออยู่ซึ่งเรื่องนี้เป็นคนละอย่างกับที่กล่าวมาแล้วเพราะมีลักษณะและความมุ่งหมายต่างกันมาก